สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของชีวิตพระเยซูนะครับตอนที่21เกี่ยวข้องกับการรับบัพติศมาของพระเยซูนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระธรรมมัทธิวมารโกลู ก, กากําลังเขียนเล่าเหตุการณ์ตอนพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอหนที่แม่น้ําจอแดนอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่พระเยซูปรากฏ ต, ตัวต่อหน้าสาธารณาชนในฐานะบุตรของพระเจ้า ในฐานะพระบุตรของพระเจ้านะครับเวลาเราเรียกพระเยซูว่าพระบุตรของพระเจ้านะครับต้องเรียกให้ถูกนะครับต้องเติมคําว่าพระอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อที่ว่าเราจะเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษนั้นมาจากคาว่า s o n of God นะครับไม่ใช่ s o n s of God เราทั้งหลายเป็น s o n s of God แต่ว่าพระเยซูนั้นเป็น the s o n of God นะครับตัว S ใหญ่ด้วยพี่น้องครับนี่เป็นเหตุการณ์แรกในพระลักิจของพระเยซูย อ, อนั้นไม่ได้เขียนเรื่องการรับอัศมานะครับ แต่ความคิดของยอนนั้นเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวครั้งแรกของพระเยซูนั้นสําคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็คงไม่ได้เขียนเรื่องของการรับบัพตมาของพระเยซูในพระธรรมยอนของท่านนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่ามาระโกนั้นได้เล่าเรื่องพระเยซูเสด็จมาจากนาซาเลสแคว้นกาลิลีนะครับพระเยซูอาศัยที่นาซาเ็สถึงสามสิบปีครับและข่าวการปรากฏตัวและการเทศนาของยอนก็ออกมาถึงนาซาเลส และเปียซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงเริ่มกระทําพันธกิจของพระองค์ครับพเปียซูทรงทราบว่ายอนผู้ให้บัพติมนั้นได้มาจัดเตรียมผลทางซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วนะครับข้อพระคัมภีร์ในมาระโกบทที่1ข้อที่9และในมัทธิวบทที่สามข้อสิบสานั้นได้กล่าวถึงพระเยซูว่าพระองค์เสด็จมายังแม่น้ําจอแดนเพื่อรับบัพติสมาจากยอนพี่น้องครับให้เราจินตนาการนะครับว่าที่ริมฝั่งแม่น้ําจอแดนนั้น ทุกวันยอห์นเดอะแบปติสต์มาเทศนาและให้รับพบติสมาแก่ผู้ที่กลับใจสำนึกผิดบัปติสมนั้นเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการกลับใจของมนุษย์ครับและรับการอภัยโทษจากพระเจ้าพระเยซูเองนะครับเมื่อโปรงได้ทรงได้ยินคำเชื่อเชิญของยอห์นเดอะแบปติสต์ทันใดนั้น พระเยซูก็ทรงก้าวออกมาจากกลุ่มผู้ฟังและขอรับบัพติศมาจากยอห์นพี่น้องครับท่านเห็นภาพนี้เหมือนกับที่ผมเห็นไหมครับพระเยซูทรงก้าวออกจากกลุ่มผู้ฟังกลุ่มประชาชนที่ฟังยอห์นและเรียกร้องให้คนกลับใจพระเยซูเดินออกมาจากกลุ่มนั้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ําจอร์แดนและขอรับบัพติศมาจากยอห์นครับในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบบทที่สามข้อสิบสี่สิบห้าและมาระโกบทที่หนึ่งข้อเก้านั้น เราเหนะครับว่ามัทธิวได้บันทึกคําสนทนาระหว่างพระเยซูกับยอนก่อนจะรับบัพติศมาป ร, รากฏว่ายอนเดอะแบปติสต์รู้จักพระเยซูครับว่าพระองค์เป็นใครกันแน่ยอนนั้นไม่ต้องการให้พระองค์รับบัพติศมายอนกล่าวว่าข้าพระองค์จะต้องรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองเพิจารกับทําไมพระเยซู ถึงต้องรับบัพติศมาและทําไมย อ, อนถึงอิดเอื้อนอิดออดไม่ยอมให้พระเยซูรับแต่ บ, บัพติศมาครับเลองคิดดูนะครับว่าเหตุผลประการใดแน่นักวิชาการนั้นก็มักจะบอกว่าบางทีคงเป็นพ่อยอนนั้นรู้รสึกรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมไม่สมควรจะให้ บ, บัพติศมาแก่พระองค์เพราะยอนเดอะบัพติสท่านรู้ว่าพระองค์เป็นใครนะครับแต่ยังมีเหตุผลอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่า เป้าหมายของการบัพติศมานั้นเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับเป้าหมายของการบัพติศมานั้นเป็นเครื่องหมายถึงแสดงถึงการกลับใจใหม่ของมนุษย์และรับการอภัยโทษจากพระเจ้าแต่ว่าพระเยซูรู้นะครับเราทั้งหลารู้ว่าพระเยซูนั้นไม่มีบาปไม่เคยทําบาปเลยโปรงไม่เป็นคนบาปเหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นโปรงจึงไม่จําเป็นต้องมีการสํานึกผิด ด้วยเห็นนี้นี่เองนะครับทำให้ยอนได้รู้ว่าท่านไม่สมควรให้บัพติศมากับพระเยซูเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาถึงคำถามนะครับที่ว่าทำไมพระเยซูจะต้องรับบัพติศมาจากยอนด้วยละ่ะเราเห็นว่าพระเยซูตรัสตอบยอนนะครับในข้อที่สิบห้าของมัทธิวบทที่สามนะครับพระองค์ตรัสว่าบัตรนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามสิ่งชอบธรรมทุกประการพี่น้องครับสิ่งชอบธรรมทุกประการหรือคําว่าสิ่งชอบธรรมนี้หมายความว่ายังไงครับสิ่งชอบธรรมนี้มีความหมายว่าสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรสิ่งที่ต้องทํานะครับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรสิ่งที่ต้องทําในพระบัญญัติของพระเจ้า ในสายพระเนตรของพระเจ้าในน้ำพัดไทยของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อพระเยซูพูดคํานี้แสดงว่าพระเยซูขณะที่โปร่งอยู่ในโลกนี้โรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของคนยิวราจะเห็นว่าพระเยซูชงร่วมเทศกาลงานเลี้ยงต่างๆตามกําหนดของคนยิวเราจะเห็นว่าการนมัสการในธรรมศาลาของคนยิวพระเยซูก็เข้าไปร่วมด้วยเพราะฉะนั้น มีเหตุผลนะครับอย่างน้อยที่พระเยซูจะต้องรับบัพติสมาหรือโปร่งสมัครใจที่จะรับบัพติสมาจากยอห น, นะครับมีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเหุเรามาดูนะครับเหตุผลอะไรบ้างที่พระเยซูจะต้องขอรับบัพติสมาจากยอหนประการแรกครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้คริสเตียนรับบัพติสมาพระเยซูทำตามที่พระเจ้าต้องการให้เป็นแบบอย่าง กับคริสเตียนกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ประการที่สองนะครับถึงเหตุผลที่เป็นไปได้ที่พระเยซูต้องรับปมัมาจากยอนนั้นก็คือพระองค์ทรงมีความประสงค์ที่จะแสดงว่าพระองค์ทรงเห็นด้วยกับงานของยอนงานของยอนคืองานที่เรียกร้องให้คนกลับใจเรียกร้องให้คนหันกลับจากความผิดความบาปและรับการอภัยโทษจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่ยอนเรียกร้องให้ประชาชนกลับใจนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับ และพระเยซูชงเห็นด้วยครับเพราะงานของพระองค์ก็คือการนำให้คนกับใจเข้ามาหาพระเจ้าพี่น้องครับเหตุผลประการที่สามนะครับเป็นสั ญ, ญลักษณ์เล็งถึงการวายพชนของพระเยซูการฝังการถูกฝังและการเป็นขึ้นจากความตายนะครับถามว่าทําไมถึงคิดถึงเรื่องนี้เพราะในโรมาที่หกข้อที่สี่ครับในโรมาที่หกข้อที่สี่กล่าวอีกนะครับว่า เคฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพราะว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสุริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนะครับที่น่าจะเป็นไปได้สามเหตุผลนี้ครับที่จะทําให้พระเยซูนั้นออกมาจากฝูงชนและขอรับบัพติศมาจาก ยอนเดอะแบปติสพี่น้องครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะจบในวันนี้พระเยซูทรงไม่มีบาปพระองค์ไม่เคยทําบาปเลยและพระองค์ไม่เป็นคนบาปเหมือนกับพวกเราที่เป็นคนบาปเหมือนกับพวกเราที่เราทําบาปพระองค์ไม่ได้เป็นเหมือนกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีคนณสมบัติเพียงพอ ที่พระองค์จะทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราออกจากโทษทันแห่งความบาปค่าจ้างของความบาปและนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความดีพร้อมของพระองค์ที่คุณสมบัติเพียงพอเหลือนะครับเหลือเกินที่จะช่วยเราให้รอดได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่เราทั้งหลายควรจะไว้วางใจอย่างยิ่งและเป็นตัวอย่างของเราทั้งหลายในการที่เราจะทําตาม พระมหาบัญชาของพระองค์ในการเรียกร้องคนอื่นนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นๆอีกมากมายให้เขารับปัิศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านในวันนี้ตลอดทั้งวันอาเมน